ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอธิบายนามรูปอาการลิงคะนิมิตอุเทศภาพพิศดาลตอนที่สองโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่สองธันวาคมสอง4ันห้าสาสิบสที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติตาลฟังได้นะบัดนี้ มาแล้วก็ได้รับคําซักแทรกซักแทรกถึงให้อธิบายขยายความคาว่าอาการคําว่าเพศหรือคําว่าลิงคะคําว่านิมิตเนี่ยมันอักมันยังไงมันยังไงมันต่างกันยังไงมันมีลักษณะยังไงอันนี้ก็จริงนะว่ามันยากนะอาตมาเขาพยายามใช้ภาษาไทยนะขยายความอธิบายความไม่ทราวร่าเราจะอ่านอาการของกิเลสอาการของนามารมที่ในใจของเราเนี่ย อาการคําว่าอาการผู้คุณของเข้าใจแล้วมันต่างยังไงกับคำว่านิมิตแล้วรือคําว่าต่างนี่แหละคําว่าเพศคําว่าลิงคะนี่มันยังไงกันล่ะมันต่างกันยังไงสามคำเนี่ยคาว่าอุเทศคงไม่มีปัญหาอะไรว่าอุเทศก็คือคําที่ยกขึ้นแสดงอาตมากําลังกล่าวขึ้นนี่ก็คือกล่าวคําว่าอาการขึ้นมาแสดงยกเรื่องนี้ยกหัวข้อนี้ยกตัวนี้ขึ้นแสดงยกขึ้นแสดงกําลังแสดงนี่เรียกว่าอุเทศ ยกขึ้นแสดงเนี่ยแหละอุเทศอธิบายนั่นเองเราไม่ใช่อะไรหรอกอธิบายยกขึ้นแสดงให้ชัดเจนในอุเทศมีอุเทศทําให้ตรงตามอุเทศหรือว่าทําอุเทศให้เข้าใจนิเทศก็ว่าอุเทศก็ว่านิเทศก็คือขยายอธิบายนิเทศอุเทศก็นี่แหละก็ยกขึ้นแสดงให้มันชัดๆจดเป็นจนี่ยนะอาการนะอาการของความโลภอาการของความโกรธ อาการของความแค้นอาการของความริษยาอาการของเมตตาอาการของความเป็นกุศลอะไรก็ตามใจแต่มันก็มีอาการอาการเหล่านั้นมันเป็นนามธรรมที่คุณจะต้องคอยอ่านคอยสังเกตจิตใจจิตใจไม่มีตัวตนแต่ว่าอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเรากําลังขณะนี้เรามีจิตใจเมตตานะอาการเมตตาเห็นอย่างนี้ลักษณะนี้เห็นคนนี้เราเมตตานะเอ็นดูเ อ, อื้อเฟื้ออยากช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์อะไรเนี่ย อาการานี้มาเกิดในใจของเราเนี่ยอาการนั้นคุณอ่านเขาตัวเองมันมีจริงๆริงไหมอาการนั้นเกิดจริงไหมนั่นแหะคุณเห็นอาการแล้วในอาการนั้นแหละมันมีลักษณะแสดงมันเป็นสภาวะแสดงตัวเป็นเครื่องหมายที่เราจะกําหนดอ่านมันรู้ลักษณะอาการของมันไอตัวเครื่องหมายที่เราไปกําหนดรู้ลักษณะลงไปซ่อนลงไปนั่นแหละคือนิมิต นิมิตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายนิมิตเนี่ยแปลว่าสิ่งที่กําหนดรู้ลงไปได้นิมิตเนี่ยนิมิตเนี่ยเครื่องหมายหรือสิ่งที่เรากําหนดรู้ลงไปได้ว่าเอออย่างงี้ามันกดกําหนดให้เรารู้แล้วกลางโม่เช้านี่อธิบายละเอียดไปจนกระทั่งถึงว่ามันต่างกับไม่ต่างกันยังไงโลภะอาการของโลภะอาการของโทสะนี่อาการต่างกันนะนี่เลยว่าลิงคะมันต่างกันมั น, น, มนคนปะเภทคนปะเภท โลพาคเพศหนึ่งโทษาคเพศหนึ่งมันต่างกันมันคนละเพศมันมีลักษณะที่ต่างกันนี่แหละเพศก็คือเขาความต่างกันนี่แหละต่างเผ่าต่างตระกูลต่างแบบต่างเรื่องต่างราวต่างลักษณะต่างอย่างต่างสิ่งต่างมันต่างกันคือมันไม่เป็นอันเดียวกันมันต่างกันคือมันไม่เป็นอันเดียวกันจึงมีลิงค์ะ อาตมาอธิบายไปจกระทังถึงว่ากับความเหลือน้อยกับความไม่มีนี่ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนะมันมีลิงคะมันต่างกันนะเหลือน้อยกับไม่มีกับศูนย์นี่ศูนย์กับเหลือน้อยนี่มันมีลิงคะนะมันมีลิงคะกันนะมันต่างกันนะถ้ามันน้อยเหลือน้อยนั้นจนกระทั่งมันเหมือนกันหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันมันไม่มี มันเป็นอันเดียวกันหมดลิงคะหมดความต่างมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวเอโกโทธ ร, รมโมถ้าเรารู้จักศูนย์และทําอะไรอะไรให้มาศูนย์ลงไปอย่างนี้หมดโดยเฉพาะกิเลสโดยเฉพาะกิเลสกิเลสในแ ง, ง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่มาให้ศูนย์ให้หมดถ้าเรารู้จักศูนย์และอะไรที่มันยังเหลืออยู่ก็เรียกว่ามันยังต่างกับศูนย์ มากกับน้อยอัตมาก็ได้อธิบายแล้วว่ามันต่างกันนะวิติกรมมกกิเลสปรัญญฐานกิเลสอนุสัยกิเลสมันหยาบกลางละเอียดมันมากกับน้อยมันต่างกันน้อยกับไม่มีถึงที่สุดต่างกันนะมีลิงคะมีอาการมีเครื่องหมายรู้ได้เครื่องหมายเรารู้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายของความศูนย์ความเครื่องหมายของความต่างคือความหมายเครื่องหมายของความมีแม้จะมีน้อยจกระเกือบจะเหมือนกันกับศูนย์มันจะหลอกเรามากทีเดียว แล้วมันจะรู้ได้ยากตรงที่ว่ามันเหลือน้อยกับศูนย์นี่เหลือน้อยกับศูนย์นี่ใกล้เคียงกันนะแต่ยังต่างกันนะเราจะมีญาณปัญญาที่จะรู้ความต่างจะรู้ความใกล้เคียงอันนี้ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันนะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่ใช่ลักษณะเดียวกันแต่เป็นสองลักษณะสองสภาพอยากจะต้องรู้ไดยญาณจริงๆเลยโดยเฉพาะกิเลส ท, ที่มันยังไม่ศูนย์ ยังเหลือน้อยเท่าไรก็ตามมันยังเหลือ ม, มันยังไม่ศูนย์ก็จะต้องเห็นแจ้งเห็นจริงของเราให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นจะมีความหมายคําว่าลิงคะหรือเพศหรือคําว่าต่างกันก็มีเนย่าที่จะต้องเรียนรู้ความต่างนี้ให้หมดจนกระทั่งเดือศูนย์ศูนย์นี่ได้ว่าดับสนิทหมดไม่เหลือดับไม่เหลือเกลี้ยงไม่เหลือไม่มี จะใช้ภาษาไทยว่ายังไงอีกอะได้เยอะแยะกับมันมีมีมีน้อยก็ตามมีลักษณะอย่างใดก็ตามมันไม่ใช่ลักษณะไม่มีเราก็จะต้องอ่านอาการอันนั้นของเรามีการเปรียบเทียบเรียกว่าลิงคะมีเพศมีความต่างกันมีกาหนด รู้ได้มีเครื่องหมายที่ทให้เรารู้ได้มีอาการของมันเองจริงๆอาการของมันคืออย่างไรอย่างไรอย่างไรก็จับอาการนั้นแล้วเรากําหนดรู้จากอาการนั้นๆแหละการกําหนดรู้จากอาการนั้นๆโดยญาตของเรารู้ว่าเนี่ยหมายรู้กําหนดรู้เครื่องหมายที่ทําให้เรารู้ได้แล้วจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมมีของจริงของเราเองอ่านของเราเองนี่แหละการรู้รูปนามหรือนามรูปมันรู้ถึงขนาดนี้ มันจะต้องมีญาณปัญญาลึกซึ้งแจ้งจึงอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ไม่มีผิดมันไม่มีผิดแล้วมันได้รู้ได้จริงแล้วมันไม่ไม่ไ ม, มีนอกทางแล้วคุณจับอาการกิเลสตัณหาอุปทานทคุณแน่นแน่หรือว่าโลภโกรธหลงอย่างหยาบ ก, กลางละเอียดจนเหลือละเอียดขนาดไหนก็นแล้วแต่และกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรจากนอกนั่นเลยหรือแม้แต่ในใจของเราเองเราก็ยังยึดติดอยู่ในความลุกนึกคิด ความยึดตัวตนความยึดของเราเองเป็นอย่างเราคิดเรานึกนี่แหละแล้วเราก็ยืดกขาเราอยู่อย่างนั้นก็ตามมันก็เป็นของเรานี่แหละปลูกฝังยึดติดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้เป็นวางให้เป็นเลิกให้เป็นจนกระทั่งพ้นถึงคำว่าไม่ติดไม่ยึดไม่มีไม่เหลือไม่เป็น เขาก็จะต้องรู้อาการของเราว่ามันหมดหรื อ, อยังมันเหลือหรื อ, อยังมันปล่อยอย่างเรายังเป็นเป็นอยู่นี่นะเรายังไม่ตายเนี่ยพระอาหารหันต์เจ้าสมมุติว่าพระอาหารหันต์เจ้ายังไม่ตายยังเป็นเป็นท่านก็อยู่กับโลกแล้วก็มีอาการที่เป็นเออท่านก็มีอาการท่านก็มีทวารมีอะไรที่จะรับรู้ผัสสะข้างนอกข้างในกับคนอื่นๆเขาทั้งหมดนี่แหละรูปลอกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศสันเซินอะไรต่างๆนานา หรือว่าไอ้โลกีสุขที่คนอื่นเขาลหลงไหลได้ปลื้มอะไรกันอยู่แล้วถ้าก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแหละแต่ท่านเองท่านไม่มีสังขารไม่มีการหลงเป็นธาตุหรือแม้ว่าท่านจะร่วมสังขารด้วยเหมือนอย่างอาตมาสมมติจับยาให้ฟังเสมอเราเป็นพ่อครัวหรือเป็นแม่ครัวจะปรุงอาหารปรุงให้เขากิน เรารู้นะว่าเขาชอบรสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รถปรุงให้ตรงตามที่เราสัญญากำหนดจำได้แล้ว่าเออรสอย่างนี้นะเขาชอบนะเขาว่าอร่อยเขาดขนาดนี้เราปรุงให้เขาขนาดนี้ให้พอเหมาะเขายังติดอยู่เยอะกับปรุงให้เขาจัดหน่อยคนนี้ติดไม่เยอะแล้วอย่าปรุงมากเลยเราก็ทำขนาดนั้นให้เขาแต่เราเองนั้นไม่ได้ติดไม่ได้อะไรหรอกเรารู้ว่าอร่อยเรารู้ว่าปรุงอย่างนี้ให้เขาอร่อย เราก็ปรุงให้เขาขนาดนี้อย่างนี้ร่วมปรุงกับเขาเลยเป็นตัวปรุงเองด้วยให้เขาเป็นแม่ครัวปรุงอาหารนี่ให้เขาแต่เราเองเราไม่ได้ติดใจอะไรเลยถ้าปรุงเสร็จก็เออให้เขาเพราะอนุโลมให้เขาเท่านั้นเองตัวเราเองก็เฉยไม่ได้ติดใจไม่ได้ผูกพันไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์กับรสอร่อยอันนั้นแต่มีแต่รู้มีรู้ว่ามันอร่อยเข้าใจว่าอร่อยมีสัญญามีเครื่องหมายมีสิ่งกําหนด กำหนดรู้แล้วก็ทําถูกทําตรงเป็นอย่างนั้นกับเขาให้เขาไปเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเราไอ้นี่เป็นจิตที่ล่อนสะอาดจิตโลกุตรจิตมันจะเหนืออย่างเงี้ยร่วมปรุงก็ได้อืร่วมปรุงกนได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นนะตัวเราไม่ได้เป็นไอ้นี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วเป็นเรื่องขีโกงก็ได้ด้วย เราเป็นจริงๆใครจะมารู้กระใจเราแต่แล้วเราก็โกหกคนอื่นหลอกคนอื่นว่าเราไม่เป็นเร า, เราปรุงร่วงมือนเขาแต่อยู่นานๆกันไปเดี๋ยวรู้ว่าคนนี้ปรุงจริงทำไม่ปรุงจริงเดี๋ยวรู้แกล้งปรุงว่าตัวเองเสพไหมตัวเองแอบเสพไหมตัวเองลิ้มเลียมไหมตัวเองจริงๆหลอกไหมจะจะรู้ดูยานานกันไปก็เดี๋ยวก็รู้จนได้อะจะปิดจะบังยังไงก็เพอปิดพอบังได้แต่คนที่โง่วกว่าก็อาจจะปิดไปได้จนตาย คนจับไม่ได้คนโง่กว่าก็จับไม่ได้ปิดไปได้จนตายแต่คนที่จับอยู่เนี่ยไม่โง่เกินไปนักไม่ปิดยังไงแม้ไม่โง่แม้ไม่ฉลาดกว่าก็ตามอยู่นานๆมันก็พอรู้ได้ว่ามันแอบเสพมันปิดบังหรือไม่ปิดบังนะในทางด้าน เ, เทรวาธด้วยในทางที่เขาศึกษาพระอภิธรรมศึกษาการปฏิบัติประพฤติอะไรพวกเนี้ยเขาก็ศึกษานะว่า การยกจิตขึ้นสู่วิปัสน า, ารู้นามรูปอะไรนี่เขาก็ศึกษานะภาษาพวกนี้มันก็อยู่ในภาษาธรรมะของแ ต, แต่ละสายแต่ละสายเขาก็ยกภาษาพวกนี้มาพูดมันต้องรู้นามรูปแต่นามรูปของเขานะ่ยอตาตมาฟังไม่รู้เรื่องแต่ก่อนนี้อาตมายังไม่เจอพระเตปิโดก็ยังไม่รู้ยังไอ้ไม่รู้เรื่ภาษาวิชาการพวกนี้เนี่ยอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องอาตมาฟังเขาอธิบายนามรูปก็ได้ว่าเห็นจะต้องยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาต้องเห็นนามรูป เขาไปนั่งหลับตาเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาต้องเห็นนามรูปเขาบอกงั้นอาตมามันทํำยังไงว่านามรูปนั่นเป็นยังไงยกจิตขึ้นสู่วิปัสนานั่งหลับตายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาอาตมามไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมันไปเห็นนามรูปรู้นามรูปมันเป็นยังไงยศอาตมามามารู้ของตัวเองแล้วก็เอาของตัวเองเนี่ยเป็นภาษาคาว่านามเป็นยังไงคําว่ารูปเป็นยังไงคําว่าอะไรเข้าใจตามที่อาตมาอาตมาก็อธิบายอย่างอาตมามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ นามก็คือยานปัญญานามก็คือจิตปิญญาของเราเนี่ยเป็นตัวรู้และมันจะซ้อนเชิงอย่างที่อธิบายในคนคืออะไรทีนี้ก็อธิบายมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้นามรูปก็เห็นได้ว่ามันซ้อนอยู่ในจิตนี่แหละมันชัดสิ่งที่รู้ถูกรูปเป็นนามธรรมานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นโดยเฉพาะกิเลสกิเลสด้วยจิตปญญาณ น, นี่นะมันเหมือนหนึ่งเดียวกันคนปุตชชนในโลกนี่ก็ใช้กิเลสนี่แหละเป็นจิตวิญญา แล้วมันก็หลอกตัวเองหลอกผู้อื่นอยู่ในนั้นนานับชาติตัวเองโง่เงาอวิชาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกิเลสเป็นยังไงก็นึกว่าเป็นจริงเป็นจริงกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเสมออร่อยนั่นแหละคือกิเลสแล้วก็ไม่รู้มันเลิกล่าดูซิมาพยายามไม่ให้มันสมใจดูซิแล้วมันจะดิ้นไหมล่ะก็ดิ้นแล้วมาลดรสอร่อยนี้ได้ไหมมาลดรสอร่อยนี้โดยที่เราทายานปัญญาเห็นจริงเห็นจังจนกระทั่งไม่เกิดรสอร่อยอันนี้ รสอร่อยไม่ขึ้นก็ธรรมดารู้ความจริงตามความเป็นจริงอ่าแต่ก่อนนี้ติดจริงๆเลยโอ้ทวานอย่างนี้ทมันอย่างนี้ทาร้อนอย่างนี้ทายเย็นอย่างนี้อะไรเนี่ยอร่อยชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นดีไม่ดีไอ้ร้อนมากไปก็ลวกปากเย็นมากไปก็ว้าไม่ไหวเผ็ดมากไปก็แย่แต่ก่อนนี้เผ็ดก็อู้อร่อยแซบแม่จะเป็นจะตายอุตส่าห์จะแซบอีกเนอะอร่อยร้อนเผ็ดจะตาย แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้เผ็ดก็เผ็ดเราไปกินก็ไปทําไมกล่ะนักหนาวมันเผ็ดอะหรือมันขมมันคื่นอย่างเงี้ยกาแฟโอ้ยว่ะไม่ใส่ไม่ใส่น้ําตาลาค้นๆซะด้วยนะโอ้โอทองก็ไปดูเธอคนเอ้ยโอ้ยชงออกมาคนๆไม่ใส่น้ําตาลมันก็ขมขื่นๆนั่นแหละแต่เขาก็ว่าอร่อยในคนติดเขาอร่อยจริงๆแต่ก่อนเราเคยหลงกับเขาออโอเลี้ยงโอเลี้ยมันก็ขมๆก็ว่าอร่อย อย่าว่าแต่โอเลี้ยงเลยมากินสเดา ว, ว่าอร่อยกัยังติดอร่อยสเดาเลยอะสเดามัง่งมระมั่งอะไรแล้วแต่มันขมๆมากินขมๆก็ว่าอร่อยจริงๆมันก็คือรสอย่างงั้นแหละเราจะติดไม่ติดแต่จะมันขมว่าขม อ, อ, อ, อย่างมันนั่นแหละถ้าเราไม่ได้ชอบมันก็อย่างงั้นแหะก็ไม่ผลักไม่ดูก็กินได้สีเน้นแดงสวยพอเขาเปลี่ยนแฟชั่นบอกว่า แฟชั่นปีนี้เขาไม่ฮิตแล้วนะสีแดงเขาฮิตสีเขียวอ้าวแววสีเขียวสวยสีแดงเคยรู้สึกว่าสวยมันก็ไอ้แดงอย่างเก่าอะนะไม่สวยซะแล้วเพราะแฟชั่นปีนี้เขาไปนิยมสีเขียวสีแดงเขาไม่นิยมกบาเขียวไปตามเขาแต่ก่อนบ้าแดงเขาจูงหัวไปไงไป้ายเขาหมดเลยเหมือนควายเหมือนงัวผู้หญิงนี่เป็นมาก่อนเลยจริงไหม มันนุ่สึกใจมันโอ้เมันสวยนะดูสวยจริงๆเลยนะพอเขาบอกว่าแฟชั่นสีนี้เขาฮิตสีนี้ดูจริงเหมือนจริงเลยทั้งต ท, ท, ที่แดงมันก็ไอเหมือนเก่าอะไรโลกไหนชาติไหนปางไหนแดงมันก็สีอย่างงั้นน่ะเขียวมันก็อย่างงั้นาาน่ะแต่เขามายั่วแบบแฟชั่นปีนี้ต้องแดงนัถึงจะสวยเขียวไม่สวยไม่นิยมต้องนิยมแดงเอาแดงสวยพอเบื่อแล้วเอาเปลี่ยนใหม่เอาเปีนี้นต้องม่วงปีนี้ต้องเหลืองปีนี้ต้องเขียวไปกับเขาอีกหมดแล้วไอพวกนี้ก็ไปสวยอีกแล้วไอรถไม่สวยที่จิตน่ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามเขาไปงั้น นั่นล่ะคือไอตัวปรุงตัวยึดตัวอุปทานมันไม่จริงเห็นความไม่จริงหลัดหลัไหมนี่อธิบายชัดเลยนะของผู้หญิงเนี่ยใครจะใครจะรู้สึกเลยจะเห็นได้ชั ด, ชดง่ายๆเลยมันไม่จริงนี่แดงมันสวยมันก็สวยนี่รันการสิ้ามันจริงมันไม่ใช่หรอกมันไปไปปรุงแต่งจิตใจไปผูกพันไปยึดถือไปสมมุติตามเขาเราเป็นอยู่อย่างนั้นนะเหมือนกันละอร่อยก็เหมือนกัน อร่อยก็เหมือนกันสวยก็เหมือนกันไอ้ดมไอ้เหม็นไอ้หอมนี่เหมือนกันหมดอนะ่ะสัมผัสเยินร้อนอ่อนแข็งมันก็เป็นความจริงของมันอย่างนั้นอย่างนั้นนะเราจะไป น, นึกว่ามันเป็นความสุขเป็นความพอใจเป็นความ อ, อร่อยเพลิดเพลิอนอะไรก็ตามใจมันมันก็สร้างเอาเองอะจะไปดูเขาเต้นเขารําจะไปดูเขาร้องจะไปดูเขา เล่นกีฬาเรือออกอาการกิริยาอย่างง่นอย่างงี้อะไรโอ้ยมันสนุกมันเพลิดเพลินมันยัางง่นอย่างงี้อะไรก็ว่ากันไปไอเด็กมันเล่นกันเจียวเจ้าเจียวเจ้าต่อตีหกเขมรตีละกลางงี้มันก็บอกว่าสนุกนะเด็กมันก็ไปสนุกแล้วพวกคุณเดี๋ยวนี้ไม่สนุกแล้วไปหกเมรตีกลางก็ไม่เอาแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆแล้ก็บัโถก็เด็กๆมันก็นึกว่ามันสนุกกัอย่างเด็กๆมันดิ้นเต้นอย่างนั้นว่ามันสนุก มัน hmm. ดิ้นวิ่งหกคะแมนตีลังกาไปยังง้นมันก็สนุกสนุกสนุ ก, น ก, นกมันสนุกอะไรมันก็เหมือนกันกับคนไปเล่นไปเต้นไปดิ้นไปเตะไปตีก็ไปตีแปดพินตันไปตีโน่นตีนี้ว่ามันสนุกเพลิดเพินมันอะไรแล้วแต่ได้ออกท่าทางลีลาเงินได้เต็นอย่างนี้ได้ตันอย่างง้นได้ล้ำอย่างงี้อย่างงอนมันสนุ ก, hmm. กมันอร่อยก็เหมือนกันนะไปยึดไป <sm ese> ติดสมมุติทั้งนั้นนอ่าหรือแม้ว่าเราโลก ไปได้ไอ้นี่มาสมใจได้เงินได้ทองได้เข้าได้ของที่เรารักเราชอบอยากได้ของอย่างนั้นได้ได้ของอย่างนี้ผลได้มากก็โอ้เป็นสุข <_ c oughs> มันก็คือสมมุติมันก็คือการปั้นอารมณ์ปั้นอาการอันนั้นมาเกิดในจิต <_ c oughs> นั่นแหละเป็นนามรูปอ่านอัสาทะอัดอ่านอารมณ์อร่อยรสอร่อยรสพอใจรสยินดีอันนั้นให้ออก <_ c oughs> มันไม่จริง มาปฏิบัติแล้วนั่นอาจะจางคลายจางคลายอ า, าการบินคบนิมิตให้เรามันจางคลายมันเบาบางจนมันเฉยเฉยเฉยเฉยนี่แหละอุเบกขาเฉยนี่แหละอุเบกขามันวางเฉยมันจืดไปแต่มันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งนิ่งแต่แต่อาการของจิตมันไม่ดูดไม่ผลักไม่ดูดไม่ผลักมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ ความจริงก็คือไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละออุเบกขานะอัตุกขกรมสุขนั่นแหละมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่เป็นรสชอบรสชังอะไรหรอกแต่ความรู้เรารู้ยิ่งรู้จริงเราสามารถลืมตาสามารถที่จะเป็นคนตื่นตื่นนะมีความแคล้วคล่องว่องไวมีบทบาทอะไรอะไรก็ได้อยู่มีการพบการสัมผัสสัมพันธ์อะไรอยู่ดูเห็นพูด ก็รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยซ้ำไปนะั่นไม่ใช่ว่าเฉยก็คือเฉยเด๋อเดอเฉยคือจิตก็นิ่งตัวก็นิ่งแล้วกายเป็นแข็งทื่อไปหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนั่นแหละพาซื่อเต็มทีไม่ใช่พาซื่ออย่างนั้นนะเพราะในในัยยะของธรรมะที่ลึกซึ้งพวกนี้นี่ถ้าเราไม่เข้าถึงสภาวะปรมาตรธรรมที่แท้จริงแม้ได้ความหมายที่อามา ก, กําลังอธิบายอยู่เหล่านี้ คนไม่มีจริงไม่เป็นจริงจะหยิบมาพูดไม่ค่อยออกหรอกจะพูดกันได้ตามภาษาที่เขาพูดกันไว้ก่อนแล้วเราก็ไปจําภาษาเขาได้ตัวคนสอนที่ไม่มีสภาวะธรรมจริงของตอนเองนี่นะก็ไปท่องจํามาภาษาแล้วก็มาทําความเข้าใจด้วยปฏิพานด้วยปฏิพานความฉเฉลียวฉลาดเนี่ยทาความเข้าใจให้ได้ให้ได้มันก็ได้ความเข้าใจนั้นบ้างเหมือนกันแต่ตัวเองไม่มีเสร็จแล้วพูดเข้าไปแล้วก็ มันถ้าไม่แม่นนะก็จะวกๆวนๆสับสนๆดีไม่ดีเอาความคิดของตัวเองเอาความเห็นของตัวเองที่ไม่จริงนั้นมาประกอบมันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆเนื้อหาสาระสัจจาของธรรมะที่ลึกซึ้งพวกนี้จะเพี้ยนออกไปตามคนไม่จริงพวกเนี้คนไม่จริงแล้วอวดเก่งจะมาอธิบายโกรธเองโกรธเก่งจะมาหยิบมาทําให้คนอื่นเขารู้เสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ได้รู้จริงก็เพี้ยนก็ไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้อะไรคนอื่นที่ไม่เคยรู้อยู่แล้วมันก็ไม่รู้ตามไปหรือรู้ผิดไปตามเลย ไปยึดถือเอาผิดผิดไปด้วยไปกันใหญ่ศาสนาเสื่อมเพราะคนอวดดีพวกนี้พระเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้เรื่องอุตตริมนุสธรรมเรื่องลึกๆเรื่องชาญเรื่องสมาธิเรื่องสมาบัติเรื่องสุญญตาเรื่องปฏิสัมบาติเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยแม้แต่เรื่องความสงบคําว่าสงบนี่มันเป็นเรื่องอุตตริมนุสธรรมนะในทางธรรม แต่ในทางโลกบอกโอ้ไปสงบสงัดไปอยู่สงบไปไม่มีความสงบอะไรโอ้ที่นี่สงบดีนะแค่เจอภาษาโลกโลกหมายความว่าที่นี่ไม่มีเสียงเจียวเจ้าไม่มีความวุ่นวายก็สงบแต่ไม่ได้หมายถึงอาการของกิเลสสงบจากกิเลสบทบาทหรือตัวตนของกิเลสมันไม่มีบทบาทแล้วมันตายมันดับสนิทมันศูนย์ศูนย์สภาพของมันแล้วในจิตใจของเรา แล้วเรายิ่งแออกวครองเรายิ่งแข็งแรงเรายิ่งกับปรีก้กระปร้าเรายิ่งเร็วแต่เย็นเราเร็วแต่เย็นนะนัอย่างนี้เป็นต้นนีน่ในนัยยะละเอียดละเอียดพวงนี้นี่มันไม่ใช่สภาวะตื้นเขินไม่สภาวะลึกซึ้งเป็นสภาวะที่ต้องคนมีคนเป็นจริงๆมันถึงจะพูดได้ถึงหรือเราจะเข้าใจได้ง่ายคนพูดก็พูดถึงได้ ออกมาตามที่เราจะมีความสามารถในนิรุติปฏิพานที่จะเอาเนื้อหาสาระพวกนี้เอามาประกอบกับภาษานิรุติสื่อกว่ให้ผู้อื่นรู้กันได้นันเป็นความจริงของคนจริงพวกนั้นพวกนั้นเพราะคนที่มีความจริงแล้วพูดไม่เคยผิดหรอกจะพูดหัวพูดห้าพูดใต้พูดบนพูดเจาะในเจาะนอกอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยผิดหรอกคนที่มีสภาวะของจริงแต่คนไม่มีของจริงเหรนะ พูดแล้ววนพูดแล้วสลับสับสนมันม้วนไปหมุวนมาไม่อย่งอาตมาเขาจะพูดน่ยประเนี้ก็ว่าจนประเดี๋ก็ว่ารวยอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวก็ว่ามีประเดี๋ก็ว่าไม่มีอะไรต่างๆนานามีลักษณะสลับคืนปฏินิสักะแล้วก็เหมือนกับคนกลับไปกลับมากับกรอกเป็นคนกลับกรอกเป็นคนไม่อยู่ก็บล่องรอยมันจะเป็นอย่างนั้นซ้ําไปแต่แท้จริงไม่ใช่นะมีนัยยะที่ลึกซึ้งที่เรากําหนดกํากับลงไปได้เลยว่าไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ไม่สับสนหรอกพู้ที่แม่น พูดที่มีสภาวะชัดและผู้ที่รู้ด้วยกันชัดๆนี่นะไม่มีสงสัยไม่มีลังเลไม่มีสับสนหรอกไม่มึนไม่งงอะไรชัดเรามาเรียนนี่เรามาเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งพวกนี้ให้จริงให้เป็นให้ได้เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ความจริงพวกนี้ออกมาให้ได้ พ น, นามธรรมที่กล่าวไปแล้วนี่เป็นนามรูปในระดับพวกที่อาตมากำลังหยิบขึ้นมาพูดนี่จึงเป็นเรื่องสัจะสาระขั้นปรมาที่แท้ที่จริงที่พวกเราฟังไปแล้วก็จะต้องไปตามหาไปปฏิบัติเพื่อที่จะตามค้นให้มันเจอสภาวะพวกนี้และเห็นแจ้งเห็นจริงได้แล้วนั่นแหละคุณมีตาทิพย์คุณมีการปฏิบัติที่เกิดผลแน่ เพราะฉะนั้นคุณจะรู้เองเลยเทีนี้มันเป็นยังไงแหละกิเลสทำแล้วมันได้จริงหรือไม่ได้จริงคุณก็จะรู้เองเลยไม่มีใครมาหลอกคุณหรอกและเมื่อเวลากิเลสมันจางคลายมันลดละหรือมันเป็นวิมุตมันเป็นยังไงคุณก็จะรู้วิมุตของตนเองเป็นการได้สัมผัสวิมุตเองจริงๆเลยใครจะมารู้ได้โดยเรายากไใครมารู้ได้เราเองไม่ได้ไง่าย อาตมายังไม่เคยเห็นใครอธิบายว่ารู้รูรนามรู้อย่างไรจริงๆอาตมาไม่ถ้าไม่เจอพระเจดีย์ดนี่อาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายกับพวกเราอย่างไงมันมีหลักภาษาพรจ้าท่านบอกให้รู้จักด้วยอาการเพศหรือลิงคะนิมิตอุเทศเนี่ยโอ้โหอาตมาฟังภาษาธนัตม า, า, า, นะตมาก็เข้าใจแล้วเอามาอธิบายได้แล้วในคําอธิบายมีไม่มากในพระเจดีย์โดก็มีแค่นั้นนะอาตมายังไม่เห็นในสูตรอื่นนะ นี่เพิ่งเห็นในมหานิทานสูตรเนี่ยอัตมาเห็นตั้งแต่นานแล้วละ่ะหนังสือพระเตวีโดที่อัตมาอ่า น, นอ่านมาตั้งแต่ยูวัตโส ก, การามแล้วเคยพูดมาอธิบายมานานแล้วมาถึงวันนี้ก็ยังอธิบายอยู่เนี่ยไม่ง่ายเลยยากและเป็นนามธรรมอย่างที่อัตมาอธิบายเมื่อเช้านี้ว่านามรูปนี้ไม่ใช่นามรูปร่างกายนี่คือรูปนามคือจิตใจในร่างกายนี่มันไม่เท่านั้นอันนี้ก็ใช่ร่างกายนี่คือรู ป, ใใร เ, รรปเป็นมหาภูตารูป รวมกันแล้วก็สังเคราะห์ ก, กันเข้าแล้วก็เกาะกลุ่มกันเป็นแท่งเป็นก้อนมีจิตวิญญาณเป็นนามอยู่ข้างในก็ถูกแต่ไอ้ที่กําลังพูดนามรูปที่ว่านี่มันระดับปรมัติธรรมนามรูปในจิตเจตสิกอีกทีหนึง่งมีคําว่ารูปเลยนะรูปในจิตอตมาเลยเคยอย่างอธิบายนี่ยเขาบอกว่าอะไรสับสนกลับไปกลั บ, ลบมาเป็นี้ก็ว่านามเป็นี้ก็ว่ารูป ก็มันรูปในน้ำอ่ะน้ํามาทํำมาในจิตวิญญาณเป็นเป็นรูปมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารูปด้วยเป็นรูปเป็นอารูปด้วยอารูปก็คือมันไม่มีภาษาจะพูดแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่มันแม้แม้ถูกรู้จนกระทั่งแทบจะไม่เรียกว่ารูปให้เราได้สัมผัสถูกรู้ได้ง่ายๆนะมันอารูปเหลือเกินมันเบาบางมันเล็กมันละเอียดมันยากที่จะไปสัมผัสรู้ได้ง่ายๆแล้วอารูปแต่ไม่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แน่ๆ มีาญานที่เป็นนามธรรมก็ไปอ่านรู้เป็นาญานเป็นปัญญาเป็นยานทัศนวิเศษที่สามารถเข้าไปอย่างรู้ของจริงพวกนี้จนกระทั่งรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นนามธรรมอยู่ในใจของเราว่าสุญญาตาก็เป็นนามธรรมคือสภาพที่จิตจิตบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสไม่มีกิเลสเลยก็เป็นจิตเป็นจิตประพัดสอนเลยนะ เป็นวิญญาณนังอา น, นิทัศนนางอ น, นันตังสรรพโ ต, โตประพันธ์เป็นจิตประพัสสอนเลยนะแต่ไม่มีกิเลสจริงๆจิตประพัดสรนี่ไม่มีกิเลสคุณสัมผัสของตนเองให้ได้สร้างหรือว่าทำหรือประพฤติแม้เราจะยังไม่เป็นจิตพระรหันต์บริบูรณ์บริสุทธิ์ก็ตาม เหตุปัจจัยอะไรที่มันเคยเกิดกินเละเคยเกิดอัดสาถ้าเคยเกิดสุขเกิดทุกข์อยู่เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะเราปลดปล่อยมาได้ล่ามาได้จนอาการดิง้งคะนิมิตรก็มันชัดจนกระทั่งสภาพสุขทุกข์รสอร่อยของที่เคยเป็นเคยมีนั้นก็หายไปด้วยไม่มีเลยทั้งทั้ที่เหตุปัจจัยอนนั้นต์ก็ยังอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี้ลาบลาบก็่ามีและมันขิดมักจะ เป็นโจทย์ให้แกเราซะด้วยนะว่าเราไม่โลภในลาบแต่ก็ยิ่งมีลาบมายั่วยั่วเราจะหลงไหมอาการกิเลสจะเกิดไหมห้าพันไม่เกิดนะแต่หมื่นนึงล่ะเกิดไหมหมื่นหนึ่งไม่เกิดห้าหมื่นะเกิดไหมห้าหมื่นไม่เกิดแล้วแสนหนึ่งเกิดไหมแสนหนึ่ไม่เกิดแล้วห้าแสนเกิดไหมห้าแสนไม่เกิดแล้วล้านหนึ่งเกิดไหม ล้านหนึ่งไม่เกิดเราก็หล้านเกิดไหมห้าล้านไม่เกิดเราห้าสิบล้านเกิดไหมแมมันมีน้ำหนักของโล ก, กี้ยานี่มากมายนะห้ารอล้านห้าพันล้านห้าหมื่นล้านห้าแสนล้านก็ได้พเพราะถ้าเผื่อว่าบารมีเราจะต้องไปมีโจทย์ถึงขนาดวันทนี้แล้วมันมายั่วเราอาตมานี่ยังไม่มีใครมายั่วมากนักหรอกยังไม่เคยเอาสิบล้านยี่สิบล้านมายั่วเท่าไหร่ แต่แค่อย่างเก่งก็ล้านเดียวทุกวันนี้มีคนทำบุญเป็นเงินล้านก็มีอยู่บ้างล้านหนึ่งสองล้านอะไรมีทีละนะ่ไม่ใช่รวมรวมไม่ใช่กระปิกกระปลอยรวมกันพีเราานี่จะเอาไหมจะเกิดการเกิดฟูใจเกิดกิเลสยินดีหวงแหนเป็นของตัวของตนมันเป็นแบบฝึกกาศของแต่ละคนแต่ละบุญบรารมีอตาตมาก็ไม่เอออาขาประวะพีจะต้องไปหาทางนี่จะร้อง หาให้คนได้เงินมาหรือเอาคนควเอาเงินมาสักสิบล้านยี่บล้านห้าสิบล้านอะไรมามาลองใจเราดูซิว่าเราเองเราจะเกิดกิเลสในลาบค่าสิบล้านร้อยล้านนี่ไหมอันตมาไม่รนลานไปหาหรอกทํางานไปเงี้ยบุญเรามีถึงมันก็จะมีมาเองจนกระทั่งมันมากมันมาอย่างกับพระพุทธเจ้านี่โ อ, โอ้จะนับล้านนับโกดึงขนาดไหนแล้วขพระพุทธเจ้านี่พนางวิสาพนางวิสาข า, ข า, ขายัยวยเท่านั้นนะโอ้มากมายพระพุทธเจ้าก็ทางการู้ของท่าน่ะ ถ้าไม่ได้ขึ้นขึ้นลงๆถ้าไม่ได้ฟุบได้แฟะได้ได้ฟูได้แฟบอะไรแล้วอย่างเราเนี่ยเราก็จะต้องมีของเราตามบุญบารมีของเราอาตมาไม่ล่นลานหาเหตุนะไม่ล่นลานหาบ่อยแบบฝึกขัดแต่มันจะมีก็มันเองตามธรรมชาติตามบุญบารมีของเราดูที่คนอย่างอาตมานี่จะมีคนมายั่วจะมีคนเอาลาบเอายศมายั่วขนาดไหนยศจะเป็นยศแบบไหน ลาบก็จะเป็นลาบแบบไหนหรือแม้จริงๆแล้วเขาไม่ต้องเอามาก็าไม่มีปัญหาดอกกระว่าเราอย่างเราเนี่ยไม่ต้องลองจริงๆอะ่ะเราก็มันมั น, ม, นมันมีได้มันก็จะแน่ใจว่ามีได้แต่นั่นแหละในคนที่จะต้องมีวิบากจะต้องมี ม, มีสัมภาสรวิบากที่จะต้องทดสอบเพื่อความแน่ใจมั่นใจซับซ้อนอนี่นะแต่ละปางแต่ละปางอาตมาบําเพ็ญโพธิษัท์มาเนี่ยอาตมารู้ดี ว่าแต่ละปางแต่ละปางเนี่ยมันจะมีอะไ ร, รอพวกนี้โดยเฉพาะเป็นโพธิสัตว์จะต้องมีของจริงไปหมดเลยจนเขาต้องตายแต่พวกคุณไม่มีไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคุณไม่ต้องไปลนลานหาแบบฝูกขัดของจริงมาให้หมดให้หมดอะไรๆล็อกไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอาออกให้หมดเถอะก่อนนะไม่ต้องไปหาใหม่ไม่ต้องไปบ้าไม่ต้องหรอกมันจะอยู่ตามฐานะของแต่ละคนแต่ละคนมันจะมีวิบากของแต่ละคนขนาดมีวิบากของแต่ละคนเนีย่ยจะให้มันทุกข์สิ เองที่มีอยู่นี่เอาแค่นี้เราให้มันหมดสิ้นจงกระตั้งเห็นศูนย์เลยว่าโอ้อยู่ในสังคมของพวกเราเนี่ยมีอะไรแต่ใดเป็นวิบ่าวมีอะไรแต่ใดมีเกี่ยวมีคล้องมันมายั่วมายุมันมาทำให้เกิดกิเลสโลภโกรธอะไรอยู่นี่อาณการของความโลภความโกรธความหลงในชัดชัดชัดชัละเอียดออกขึ้นไปมากเท่าไรเท่าไรเท่าไรมียานปัญญาที่รู้จักหน้าตาของความโลภความโกรธความหลงที่ชัดหรือจะเรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานก็ได้ชัดเจนจงกระตั้งรู้จักศูนย์ แล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่ให้มีกิเลสโลภโกรธหลงหรือว่ากิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยไม่ให้มีให้มันศูนย์เนี่ยรู้อาการของศูนย์รู้สภาพของศูนย์แล้วก็ไม่มีอาการของเป็นกิเลสจะมีก็มีแต่อาการของศูนย์ในจิตใจนี่นแหละมีแต่ศูนย์ต่างกันกับไอ้ที่ไม่ศูนย์เห็นชัดเจนแล้วว่าไอ้ที่ไม่ศูนย์นั้นยังมียั ง, ยงที่มันเป็นยังไงมันมีก็รู้ว่ามันมี ไอ้ที่ว่ามันไม่ศูนย์และจนกระทั่งทําไอ้ที่ไม่ศูนย์นล้นยังมีนั่นหมดจนกระทั่งศูน ย, น ย, น ย, น ย, นย์จนเห็นศูนย์เมื่อไรมันก็ไม่เกิดเมื่อไรมันก็ไม่มีด้วยญาณปัญญาจริงๆเลยมันถึงจะจริงมันถึงจะแน่ชัดและนี่หน้าตุตาตัวกิเลสอะไรก็ไม่ผูดถึงไม่รู้จักกันเลยอาตมาพูดกับพวกคุณเนี่ยมันเปล่าๆไปไหมเนี่ยอาตมาพูดภาษาแล้วพวกคุณก็บอกพูดอะไรก็ไม่รู้ อยู่ไหนละ ไ, ไอ้ตัวกิเลสมันเป็นยังไงอาการของกิเลสมันเป็นยังไงนพวกคุณไอ้รู้จักของตัวเองที่มันมีมันเป็นบั่งไหมเหล่านะรู้บังไหมสัมผัสออกไหมสัมผัสแล้วก็อ่านออกจริงๆมียานปัญญารูจริงจริงอนะมีไหมบัวบุญมีไหม อาจออกไหมเออนี่แหละลักษณะของจริงลักษณะตาทิฟก็ตาทิฟอย่างนี้แหละเขาบอกว่าเห็นมีมีเาขาบอกว่ามองทางในหรือว่าอะไรนั่งทางในเขาบอกว่านั่งทางในน่แหละเขานั่งทางในกันแล้วก็จะไปเห็นอย่างเงี้ย ซึ่งมันไปนั่งทางในแล้วก็ไปเอาคําว่านั่งนี่มาใช้ภาษาอาตมายังไม่เคยเห็นเลยในพระไตรปิฎกที่ท่านแปลมาบรดโญคไหนที่บอกว่านั่งทางในไม่เคยมีอาตมายังไม่เคยอ่านอาตมาอาจจะอ่านพระไตรปิฎกไม่มากก็ตามยังไม่เคยสัมผัสผ่านเลยว่าไอ้นั่งทางในมันมีแต่ภาษาโลกียาภาษาไสยศาสตร์นี่สินั่งทางในนั่งหลับตาแล้วเขาบอกว่านี่แหละนั่งแล้วก็เห็นทางในคือเห็นนั่งแล้วก็เห็นทางในก็ขอพระพุทธเจ้าน่ยเห็นทางในจริงๆ แต่ไม่เอาแต่นั่งหลอกยืนเดินนั่งนอนกำลังพูดนี่เราก็เห็นทางในสัมผัสแต่ต้องของจริงนี่เห็นทางในเห็นอยู่ในในใจในใจเวทนาในเวทนากายในกายจิตในจิตธรรมะในธรรมะสิซับในลึกซึ้งซับซอ้อนลงไปเนี่ยเห็นด้วยตาทิพย์เห็นด้วยญาณทิพย์ด้วยวิชาด้วยอภิน ญ, ญาวยความรู้ยิ่งจริงๆเลย เป็นญานปัญญายิ่งของใครของใครมียังไงก็แล้วแต่แล้วเราก็รู้วิธีการเห็นมันอยู่เลยว่ามันมียิ่งเราจับตัวตนมันได้ชัดๆแล้วเราก็มีวิธีการแล้วก็ฝึกอบรมตนอยู่ตลอดเวลาวิธีการที่เราฝึกอบรมถูกทางแล้วเราก็เห็นแจ้งชัดอยู่ตลอดเวลาก็พยายามที่จะฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลาก็กิเลสมันก็เกิดกับบทบาทที่เราอยู่กันทุกๆอิริยาบทนี่แหละ กรทบสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อย่างน้นอย่างนี้อะไรเนี่ยถ้ากิเลสมันมีมันก็แสดงตัวมันก็ออกบทบาทออกฤทธิ์เรามีการปฏิบัติประพฤติที่ดีที่งามมันก็คากิเลตได้ลดกิเลสได้ก็ในขณนะทํางานนี่แหละสังกัปปวาจากรรมันตาอาชีวะนี่แหละมรรคองค์8ทางเดินทางปฏิบัติอันเองไม่มีทางอื่นเอเสวะมรโคนัททนโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่น ไม่ใช่ทางอื่นๆไม่ใช่ทางทางนี้ทางเดียวนัดท่านโยไม่มีทางอื่นนัดท่านโยนี่แปลว่าไม่มีทางอื่นเอเซวามะโคเนี่ว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นและตัวปฏิบัติก็ไม่นอกไปกว่าสังกปะวาจากรรมตะอาชีวะจริงๆนี่อาตมาขยายความเม่วานนี้ถึงอาชีวะให้เห็นเด่นชัดว่าเรานี่จเจริญได้มั้ก จเจริญในเป็นสังคมที่จะครบพุทธบริษัทเป็นเมืองพระศรีอานมีอะไรอะไรหลายอย่างเกิดอาชีพเกิดงานการแล้วก็ขอยืนยันว่าเป็นสมาอาชีพเป็นสมารกรรมมันตะเป็นการงานการงานที่เราจะต้องมีพฤติกรรมร่วมไปกับการงานเหล่านี้แล้วเป็นอาชีพคือสิ่งที่ทำประจำชีวิตหรือสิ่งที่ชีวิตเราทำเป็นส่วนมาก ในชีวิตเราทําอยู่เป็นส่วนมากเราก็ทําะไรนี้เป็นอาชีพอย่างอาตมาี่พูดเป็นอาชีพโอ้พูดจังเลยบรรยายธรรมะเป็นอาชีพไม่จะพูดอย่างโลกด้วยไม่จะพูดหาเงินแต่ก็มีอาชีพมีสิ่งที่ทําประจําชีวิตสอนแนะนํานี่ยแต่เป็นอาชีพไม่ได้เงินได้ทองหรอกแต่ทั้งโลกเขาว่ามีอะไรเป็นอาชีพเขาหมายถึงว่าอันนั้นแหละได้เงินมาเลี้ยงชีวิตเดี๋ยวอาชีพ เราก็เอาเราก็เข er ้าใจเขาเขาหมายแค่นั้นเราก็เข้าใจแต่อาชีพของเรามาหมายยิ่งกว่านั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํางานที่เราทํากิจที่เราทในชีวิตของเราเป็นส่วนมากหรือทําประจําชีวิตนี่แหละสิ่งนี้แหละเป็นอาชีพและเป็นสัมมาอาชีพด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอะไรจริงๆเป็นอาชีพที่วิเศษเป็นสัมมาอาชีพที่ประเสริฐเป็นสัมมาอาชีพที่เราก็ได้พึ่งสังคมก็ได้พึ่ง เป็นอาชีพที่เป็นเศรษฐกิจที่ดีเป็นอุปสงค์ที่ดีแล้วเราก็ทำอันนี้ลงไปเรียกว่าซัพพอร์ตหรือซัพพลายลงไปทำอยู่เพราะในสังคมยังต้องการยังเป็นดีมานยังเป็นอุปสงค์เราก็ทำมันเฟอร์มอะไรมันพอเมอื่อรดเราก็ไปทำอื่นมันยังไม่เฟอร์ก็ทำต่อไป คุณเชื่อไหมว่าเราจะทําหนังสือธรรมะี่จนกระทั่งตายในอีก50ิปีข้างหน้านี่คุณยังทําได้อยู่ยังไม่เฟ้อเชื่อไหมอีกห้สิปีเนี่ยพิมพ์หนังสือธรรมะของเราออกไปกันอยู่เนี่ยอีกห้าสิปีก็ยังไม่เฟ้อแต่หนังสือไอ้ โ, โลกๆเลยโอ้โหมันยอดเฟ้อเลยไม่รู้หนังสือมอมเมา อ, อะไรตะมกอะไรมันพิมพ์กันเป็นแสนเป็นล้านพิมพ์กันแต่ละวันแต่ละวันมอมเมากันเจอะแยะ มันเฟอ้อแสนฟอ้อแล้วแต่แอันนี้มันไม่เฟอ้อแต่ยิ่งเป็นหนังสือธรรมะที่เป็นหนังสือลึกซึ้งเป็นหนังสือที่บอกสักจธรรมอย่างชัดเจนหนังสือธรรมะที่มีคุณค่าใครอ่านแล้วแทบจะบรรลุจากอ่านหนังสือนี่แหละยิ่งดีใหญ่เลยในยิ่งหนังสือยิ่งยิ่งดีแต่นั่นแหละเราก็จะต้องมีทั้งอ่อนทั้งแก่มีทั้งยากทั้งเบามีทั้งอะไรแวดล้อมต่างๆนานาสารพัดที่เราจะต้องทําออกไปเป็นอาวุธเป็นธรรมอาวุธเป็นธรรมอาวุธเป็นอาวุธทางธรรม ที่จะทำให้คนเนี่ยเอาไปใช้ปราบกิเลสปราบมารปราบผีปราบศัรบตรูร้ายของคนคนมันตกต่ำเพราะศัตรูร้ายก็คือกิเลสเนี่ยนีย่เราก็สร้างให้แก่สังคมไปแม้แต่ที่สุดอย่าว่าแต่ทาหนังสือเลยจะต้องทําข้าวทําน้าทําอะไรต่ใดต่างๆนานากิจการที่เรากำลังทําำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสมาีพเป็นงานการที่เราจะต้องอาศัยมันจะต้อง คนทำอาหารจะต้องเป็นคนทําอาหารจะต้องเป็นคนปลูกข้าวจะต้องเป็นคนค้าขายจะต้องเป็นคนผลิตผลิตผ้าผลิตเสือ้อผลิตของใช้ที่จําเป็นที่สําคัญผลิตอุปโภคบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเป็นอาชีพอยู่ในพวกเรานี่ยใครจะแบ่งไปทําอะไรใครจะถนัดอะไรใครจะเห็นว่าอะไรดีอะไรควรทําก็ทำไปและทําแล้วมีนโยบายในใจด้วย มีความเข้าใจได้ว่าเราทำไปไม่ได้เพื่อทำเพื่อโลกโมโทสันไม่ได้ทำเพื่อโลกียะเราทำขึ้นมาให้เป็นคุณค่าให้เป็นสิ่งที่มนุษย์เดชใช้ได้อาศัยยิ่งเขาซื้อถูกหรือว่าเราไม่ได้ขายเลยยิ่งให้ฟรีๆเลยด้วยนั่นแหละยิ่งเป็นความเจริญของเราเป็นความประสบผลสำเร็จของเราไม่ใช่ว่ายิ่งผลิตขึ้นมาแล้วยิ่งขายได้ราคาแพงๆขายได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นความสำเร็จไม่ใช่เลยคนละเรื่องกับทางโลกียะอย่างทุนิยมเลย อันนี้บุญนิยมนี่ยิ่งสามารถทำให้ขายได้ยังถูกที่สุดหรือให้ฟรีเลยได้เลยแล้วก็มีคุณค่านีจริงๆเหมือนโลกต้องการนี่แหละแล้วเราก็รู้ว่าเป็นอุปสงค์เป็นของจาเป็นของสำคัญในโลกที่เราจะต้องผลิตอยู่ยังไม่เฟอ้อยังไม่มากเกินเรายังมีสิ่งเหล่านี้จะให้ทำอยู่จึงเยอะตังแยะ ปางไหนก็มีเกิดมาชาติไหนปางไหนก็มีเพราะนั้น ง, งานการมันต้องมีประจำชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดไปยิ่งโลกพร่องพร่องโลกขาดขาดแคลนแคลนอย่างทุกวันนี้ยิ่งโอ้อะไรก็ขาดอะไรก็เสียหายไปจนกระทั่งต้องมาปรับปรุงต้องมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ต้องมาสังเคราะห์มันขึ้นใหม่เ่าต้องทำไว้ให้โลก อาตมาก็มันมั น, มน ง, งงอยู่อย่างที่จริงไม่งงเราที่จริงก็ชัดอยู่เหมือนกันนะ่ะลึกๆมันก็มันก็คิดออกคิดได้แต่ว่าอาตมาพูดให้พุนฟังเรามันน่างงๆในพวกชาวเาโศเราเนี่ยคนจนนะชาวโศกเรานี่คนจ น, น, น, จนไปอยู่ที่ไหนทําอะไรให้แพงกันไปซะหมดไปอยู่ที่ไหนที่ก่อแพงเข้าของอะไรก็จะแพงขึ้นด้วย อแล้วคนจนทํำไมไปทําให้ที่แพงมีแต่ญาติคนรวยก็ไปทําให้ที่แพงไงไมะคนรวยรรู้รูรารฟูฟูฟ้าไปอยู่กันโออารู้ร้าอย่างนั้นอะญาติคนรวย อ, อย่างห้องโกงเนี่ยเขาเรียกญาติเลยนะอย่างห้องโกงเนี่ยญาติเนี่ยโอ้โหมีเตีบ้านของคนรวยไปอยู่คนไม่รวยจ้างก็ไปอยู่ไม่ได้เรามันเขาเป็นโซนเลยนะโซนญาตินี่ญาตินี่ญาตินอะไรเขามีชื่อเรียก ย่านี้เราโอ้อย่านี้ต้องพวกรวยเขาอยู่ด้วยกันคนจนก็จะไปปนเขาอยู่ได้เลยเขาไม่ให้อยู่เราไม่มีสิทธิ์จะไปอยู่ได้เราที่มันก็แพงแล้วคนจะไปอยู่ได้อะไรคนจนบ้านเขาสร้างมาก็เพื่อคนรวยเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่อโซรอนี่พาไปอยู่ที่ไหนก็จะพาไปจนนะเราจนเราไปอยู่ที่ไหนมันน่าจะเป็นญาติของคนจนก็จนจริงจงเหมือนกันพวกเราก็คนจนพวกเรานีมาอยู่ด้วยกันและดนันพาไปทําให้ที่เขาแพง มันซ้อนเนี่ยมันดูซ้อนๆไงเพราะเรา ท, ทําที่ให้ที่เขาดีจริงๆมันก็ต้องแพงไงดิทําให้ที่เขาดีจริงๆอืมันต้องแพงในสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมาอีกด้วยมันก็แพงไงสิโดยเฉพาะพวกเราอยู่เนี่ยแหละต่อไปในอนาคตเด้อโอ้คนชาวโศี่ไปอยู่ที่ไหนก็ทําให้ที่นั่นเจริญเพราะเราขยัน พอเรารู้จักนิเวศวิทยาพอ ร, รายึดสิ่งแวดล้อมเรารู้จักจะทําอะไรต่อะไรจะปรับปรุงอะไรโดยเฉพาะคนที่อยู่ก็เป็นมวลเป็นตัวเป็นตัวบทบาทที่ดีเป็นตัวบทบาท ท, บ ท, บา ท, ที่มีประโยชน์คุณค่าเป็นความประเสริฐมีอิทธิพลในความประเสริฐใครได้ไปอยู่ร่วมนี่จะถูกอิทธิพลในพวกเรานี่ทําให้เขาได้ดีขึ้นมาด้วยปลอดภัยจเจริญเป็นคนดี เอาเด็กมาไว้ก็ไปจะดีตามเอาคนโตมาไว้เอาทุ่มภาษามาไว้ก็จะดีตามสามารถซึมซับมีอิทธิพลทำให้เขาเป็นไปจเจริญไปดีด้วยได้อีกหน่อยต่อไปก็เป็น น, นอกจากคนที่มันจิตใจมันไม่ไหวอยู่ก็โศกใกล้โศกมันลำคาญหูําคาญตาโอ้ยมันทำไมมันเป็นยังไงมันไม่เหมือนกูอีกอย่างหนึ่งตัวเองนะ่ก็อาย ถ้าลึ ก, ล ก, ล ก, ลกรู้เหมือนกันว่าไอ้นี่ดีกูไม่ดีอยู่ไปก็ขายหน้ามันก็ห่างไปเอง mm hmm. เขาคนนี้ก็าคนหนีไปไกลไม่อยู่แล้วพวกเนี้ยเขารู้นะนี่หมายถึงคนรู้นะบอกเขาดีแต่เราไม่ดีอยู่ไปเราก็อายที่เราปรับตัวเองไม่ได้เลยเขาก็ไปนะหรือคนที่ไม่รู้เลยเนี่มันก็ว่าไอ้พวกนี้บ้าๆมาอยู่กับมันนะก็ไปเขาก็ว่าพวกอโศกมันบ้าๆเรื่องอะไรมาอยู่กับมันออโอ้โห กวนตาชิบเป๋งเลยว่าได้ยินก็มันก็พูดไปกวนหูเห็นก็กวนตานะมันกวนไปหมดเนะ่ยกวนมือกวนเท้าไปหมดมันก็ไม่อยากอยู่ด้วยถ้าเราถ้าเขามารังควานเราเราก็ต้องหนีถ้าเขาไม่รังควานเราแล้วเราอยู่ปกักหลักอยู่นี่เขาอยู่ไม่ได้เขาก็อพยพหนีจากเราไปเอง ฟองก็จะทําความสะอาดในตัวมันอย่างเงี้ยมันก็ขจัดสิ่งที่มันไม่ลงตัวกันไม่เป็นน้ําผสมน้ําน้ํานมผสมน้านมด้ือว่าน้ํามันก็ผสมน้ํามันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าเนื้อเดียวกันมันก็จะขจัดเข้ามาในตัวโดยธรรมชาติอย่างเนี้ยเพราะในพวกเราด้วยกันเองเนี่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ขจัดกันในทีระวังถอะใครจะเป็นตัวที่ถูกขจัดออกจากหมู่ระวังระวัง ตัวที่ใครจะถูกขจัดออกจากวงพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปรับตัวให้ไวอะไรที่เพื่อนเห็นว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรที่เพื่อนไม่ค่อยรับเราเราพยายามเข้าเข้าให้เหมือนเพราะว่าสังคมของโลกนี้มันอยู่กับสมมุติทั้งนั้นแหละอยู่กับสมมุติปรมัตารย์นั่นคือฉลาดที่รู้ตามสมมุติแล้วปรับตัวเองได้ไวก็ไม่ไปเป็นตัวขวางไม่ตัวเป็นตัวที่ ต่างกับเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับเขาอยู่ได้ปัญญาเรารู้และใจเราก็ยอมใจเราก็ทําตามแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นตัวเราแล้วเราก็เอากระเล่านี่แหละดีเรานี่แหละถูกคุณมีฤทธิ์มีความรู้ที่ดีจริงอย่างนั้นอย่างนั้นให้ได้นะถ้าไม่ได้คนอื่นเขาไม่เอาตามแล้วคุณก็อยู่เขาไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เอาตามก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยงงถูกแล้วคนอื่นเขาก็เอาตาม ก็อยู่ด้วยกันได้คุณจะจะเป็นใหญ่ด้วยแม้สิ่งนั้นจะผิดเป็นอย่างหัวหน้าโจรเนี่ยไอ้ลูกน้องโจรมันก็ต้องมาเอาตามหัวหน้าโจรยังได้เลยยังเป็นหมูม่เป็นกลุ่มได้เลยแต่ยิ่งสิ่งที่ถูกแล้วเราไม่ต้องพูดมากเลยตอนนี้หัวหน้าก็เป็นสิ่งถูกผู้นำเป็นสิ่งถูก ผู้ที่มาปฏิบัติตามก็ได้สิ่งถูกเป็นมวลอยู่ด้วยแล้วอย่าแอกเลยในวงที่ว่าตั้งแต่หัวหน้ากระมูใหญ่ๆนี่เขาเป็นสิ่งถูกแต่เราเนี่ยดันผ่าไปเห็นต่างเขาแล้วจะไปเอาต่างเขาเป็นตัวหมานหัวเน่าอยู่ในนั้นละ่ะโอยลดละเถอดอัตตามาณนะทั้งหลายนี่ยอมจะเถอดหยุดจะเถอดเป็นไปอย่างที่หมู่เขาเอานี่เถอะ อย่าไปโดเดโดดเดอยู่เลยของเราเนี่ยมันก็โปกเป๊กโปกเ ป, ป๊กอยู่งั้นน่ะถูกดีดอยู่นั่นแหละทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้วันนึงก็ต้องถูกดีดออกไปจนได้เพราะว่าเราไม่เข้ากันเราไม่ไปตามสมมุติของหมู่เพราะใจเราหรือประมัตใจเราเนี่ยมันแข็งกระด้างไม่ยอมอ่อนไม่ไมยอมลงมันเป็นอัตราตัวกู้มันไม่ถอดถอนตัวกู้ กูจะเป็นของกูจะบ้าดีเดือดของกูอยู่างเงี้ยทั้งทง ท, งที่หมู่ก็เป็นอย่างโ น, น้นเราก็ไม่ได้เป็นย่ ง, งก็กูกูกู้เงี้ยก็ถูกดันออกไปถูกขจัดออกไปเองตามธรรมชาติฟังประมรัดฟังสมมุติให้ได้ประมัดกับสมมุตินี่มันก็ต้องอยู่รวมกันนี่แหละมันไม่ไปไหนไหนอื่นหรอกอ่พระอรหันต์เจ้าเนี่ย ปร r a m a t ของท่านจิตใจของท่านนี่ไม่เป็นตัวของตัวเองขออภัยนะที่ใช้คําว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นภาษาลําลองให้คุณฟังว่าท่านไม่ยึดถือตัวเองอ่าแต่ท่านมีภูมิธรรมของตัวเองนะแต่ท่านจะอยู่กับมูนี่โดยไม่ยึดถือตัวเองเป็นตัวกูของกูแต่อยู่กับมูอย่างมีภูมิธรรมเพราะฉะนั้นจะอนุโลมปฏิโลมเอามูเอา p a r เอาเอาสมุติตาจานีเป็นหลัก ของโลกของหมู่นี่เป็นหลักแล้วท่านก็ปรับตัวกับหมู่แล้วท่านก็มีภูมิปัญญาที่จะเห็นว่าอะไรให้หมู่ดีขึ้นด้วยท่านจะมีปัญญาไม่มาหักดําพร้าด้วยเขา่าไม่ไม่รีบเร่งรีบร้อนเอาคนเอาคนเดียวถ้าจอยกปรับมาเพราะฉะนั้นมันจึงมีหมูมีกลุ่มตลอดกาลนานอรอรหันเจ้านี่มีหมูมีกลุ่มตลอดตลอดตลอดการไม่ใช่เรื่องเดียว ศา ส, สนาพระรูปเจ้าไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องตัวกูของกูคนเดียวไม่ใช่เรื่องมูเป็นหลักเพราะความจริงอยู่ที่ไหนบอกตายตัวยากมากความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ที่สันติสันติภาพความจริงอยู่ที่สันติภาพ และสันติภาพนั้นประกอบไปได้คุณค่าที่เป็นอิสระเสรีภาพพระราดอนภาพนี่แหละสมรรภาพนี่แหละจนเป็นขอบเขตหนึ่งเรียกว่าบูรณภาพได้เท่าไรก็เท่านั้นแหะบูรณภาพเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันมันมันได้สมบูรณ์หรือไเต็มแก้วใบเล็กก็ได้เต็มแคบเก่าแก้วใบเล็กแก้วใบโตก็ได้เต็มในแก้วใบโตแต่เต็มนะ แต่แก้วไม่เท่ากันหรือว่ารายละเอียดที่ผสมสัดส่วนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอีกกาลสมัยยุคการองค์ประกอบต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆไม่เหมือนกันนี่รายละเอียดมันเยอะแยะอย่างนี้นี่พวกเรานี่มีหมู่มีกลุ่มมีสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์มีอะไรแต่ายลงตัวกันพอดีพอเป็นพอไปได้เข้าใจกันขึ้นแล้วเราก็รู้ทิศทางที่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นดีดีกว่าดีขึ้น ดีมากดีที่สุดพออย่าดีเกินถ้าดีเกินหรือเกินดีเดี๋ยวเลยอีกแล้วโต่งอีกแล้วนี่ถึงบอกว่าการรักษามัชชิมารักษาความพอเหมาะพอดีนี่มันมีโต่งได้ง่ายๆแม้แต่ดีดีมากเกินไปก็ไม่ได้ดีมากเกินสิ่งแวดลอ้อมและสิ่งที่ข้ารวมแล้วหรือว่าอะไรที่จะต้องเป็นไปได้ขนาดนั้น มันก็ไม่ดีแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มากแล้วประโยชน์ไม่สูงดีไม่ดีมันก็ทําให้เสื่อมหรือทําให้เสียมากกว่าดีด้วยซ้าทำให้เสียมากกว่าได้มัชชิมาปฏิปทาเป็นคําพูด ก, กลางๆของพระพุทธเจ้ามัชชิมาหรือพอเหมาะพอดีพวกนี้คําตรัสคําสอนทฤษฎีหลักทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ลึกซึ้งซับซ้อนมากมายพระพุทธเจ้าสอนเรานี่ เราก็เป็นไปได้เรื่อยสังคมของพวกเราเนี่ดีวันดีคืนขึ้นมาพ้องกันเราะนนต้องเร่งรัดพัฒนาอย่าแช่ติดพยายามอ่านไอ้ยอย่าไปกลัวเลยอย่าไปติดแช่อยู่ว่ากิเลสเราได้ลดเท่านี้ลดกิเลสได้เท่านี้ก็ดีแล้วละจริงมันดีมองไปเปรียบเปรีเทียบกับคนข้างนอกเขาคนข้างนอกเขาทาไม่ได้มากในไม้แต่เราอย่าไปเปรียบเทียบเขาเราเทียบเราเองเราวันนี้ดีเท่านี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ปรือนี้ก็ดีกว่านี้ดีกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยอย่าไปแช่ไปติด ยังไปลงหลงไหลได้ปริมอยู่เลยโล ก, กียะเนี่ทุกวันนี้มันยิ่งเห็นเหตุปัจจัยที่มันมาส่อให้เราเห็นได้ว่าโรโลกนี่มันไม่ไหวจริงๆนะมันยิ่งมีเหตุปัจจัยที่เห็นทุกชาติชัดแมใครไม่มีดวงตามีดวงตาเห็นทุกมันทุกเน่าโทแล้วมันทนอยู่ได้นะมันพวกหัวแข็งจริงๆนะคน โ, โรคๆปุถุช น, นี่หัวแข็งจริงๆเลยอยู่ได้พราโธ่มันทุกจะตายเขาไม่เห็นทุกหรอก พวกเราเห็นทุกเราถึงเนีละหลุดพน้นออกมาไอ้คาว่าออกเนี่ยเราก็อยู่กับเขานี่แหละแต่เราไม่คลุกคลีกเกี่ยวข้องไปเป็นไปอย่างนั้นกับเขากันเต็มรูปแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนซะตัดขาดออกไปซะจะเหมือนฤาษีห่างพ้นกันเลยไม่ใช่อยู่ด้วยนี่แหละยิ่งมีคุณธรรมหรือว่ายิ่งมีปรมัตาธรรมมีตัวเทิละลดปล่อยวางได้อย่างนึกซึ้งอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้ว เป็นผลละธรรมที่เป็นอุตตริมนุษยธรรมของคนก็ยิ่งอยู่กับเขาช่วยเขาเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์โลกนี่แหละจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะมีสภาพเชื่อมโยงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเอกเป็นเลิศไม่มีใครเก่งเท่าท่านลอกท่านปริทินไปแล้วตายไปแล้วไม่สูญ ไม่ศูนตามเพราะท่านแบ่งคุณธรรมคุณค่าความดีความสามารถเนื้อหาสาระของสัจจะเนี่ยเอาไว้กับภาษาวกทั้งนั้นแบ่งเอาไว้แล้วก็รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะเป็นหมู่เป็นกลุ่มที่จะรังสันต่อไปก็เป็นคณะท่านถึงมอว่าพระพุทธเจ้าเท่ากับสงฆ์พระพุทธเจ้าเท่ากับสงฆ์ท่านกระจายมาให้เป็นสงฆ์ท่านตายไปแล้ว สงกรานต์ของท่านไว้แรกๆใหม่ๆรับไว้ได้เต็มที่ต่อมาก็เพี้ยนเพียนเบี่ยงเบียงเจือเจือจางๆก็ต้องมาเข้มมาสังเคราะห์สังคยนากันใหม่อีกมาทําขึ้นมาหรือว่ามามาม า, ม า, ม า, มาตรวจสอบมาสังคยนามาเช็คมาเลือกมาเฟ้นมาเอาสิ่งที่ถูกต้องปั่นสิ่งที่ดีหรือทําสิ่งที่ดีตามทฤษฎีตามหลักของพระเจ้าขึ้นมาให้มีของจริงมายืนยัน ยืนยันแล้วเราจะเชื่อว่ า, าศาสนาพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วมีมันเป็นยังไงก็เรามีเนื้อาศาสนาพุทธเจ้าเรารู้แล้วว่าเรามีนะรู้แต่ภาษารู้แต่หนังสือรู้แต่ทฤษฎีรู้แต่หลักอะไรเราก็จะรู้ว่านะ่ะน่ะมันรู้แต่หลักแต่ทฤษฎีนี่เรามีสภาว ะ, ะมีความเจริญมีความพ้นทุกมีความลดลโลภโกรธห ล, ลงมีพฤติกรรมพฤติกรรมสร้างสรรค์เสียสละเมตตาเกื้อกูล กตัญยูกับตเวทีอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นคุณธรรมอยู่อย่างงี้อยู่ในโลกนี่เห็นชัดๆเลยพฤติกรรมที่เป็นกุศลต่างๆเหล่านี้มันจะยืนยันยืนยัดสังคมที่เป็นพุทธสังคมประสีอานพฤติกรรมต่างๆแม้แต่กิจกรรมกิจการต่างๆก็จะประกอบขึ้นอย่างอย่างที่เรากําลังสร้างสัมมาอาชีพกันอยู่ทุกวันนี้นี่เคยเป็นเคยไป สมายจีของเราก็แหมปปีสาห้ 5, ไอ้สานี่แหละมันขึ้นมาเยอะมันกําลังแตกหนอแตกปุ่มแต่ยังไม่ทันสมบูรณ์หรอกนะเป็นยังไม่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์การเกษตรการค้าการค้านี่ทำมานานนั้นแหละแต่ปีนี้ก็มันกระจายมันก็กว้างขวางเป็นรูเปเป็นแบบเป็นแบบแบบแบบอะไรที่ซ้อนซ้อนเชิงเยอะขึ้ น, นมีการค้าเป็นกิจลักษณะมีการสร้างสร้างข่าวสร้างเสื่อผ้าสร้าง ยา yeah. สร้างที่อยู่หรือสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสําคัญต่อๆไปแม้แต่จะสร้างเครื่องมือเครื่องเทคนิคเครื่องกลสร้างนนสร้างนี่อะไรมันก็จะสร้างจะเข้าใจว่าเราควรสร้างอะไรแค่ไหนเรามีกำลังงานเรามีทุนรอเรามีเวลาพอไหมอันนี้สําคัญก่อนก็เอาก่อนเวลาอยเอาไปฟุ่มเฟือยกับไอ้ที่มันยังไม่ทันถึงเวลายังไม่สาคัญอย่าพึ่ง แล้วก็ทำไปที่สำคัญก่อนไปเรื่อยๆนี่มันก็ถไปอาตมา ถ, ถ่าบอกว่านโยบายที่บริหารแลดูแล ว, ว่าอะไรก่อนอะไรหลังนี่ไม่ง่ายหรอกยากแต่ว่าเราต้องต้องทำก็ขบคุมดูแลกันไปก็ อ, อะไรกันไปอยู่ตลอดเวลาและเรากำลังสารกันไปดำเนินกันไปก็อยู่สุขสบายดีกันอยู่พอสมควรนี่นะ สบายแล้วจะติดแผ่นคือเพ่อเพลอวโอ้บานเราร่ารวยแล้วบานเราสบายแล้วไม่ต้องขยันอะไรอีกแล้วก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นอังขาดเลยนะมันไหลเลยไปไม่รอดมันต้องขยนันภาคเพียนขึ้นความขยันไม่ได้ทําให้คนตกต่ำตรงไห น, นหรอกจะขยันเกินจนกระทั่ทงทรมานตนเองสังขารกายเสื่อมโทมมันก็ไม่ไหวถ้าอย่างนั้นน ะ, นะขยันเกิน แต่ถ้าขยันไม่เกินเลยอะไรหรอกอย่างนี้แหละขนาดนี้แหละอย่างดีนี่แหละได้สัตว์ได้ส่วนที่พอเหมาะพอดีโอ้ขยันไปจนตายคุณก็เลยได้สั่งสมบุญเป็นกรรมทายะเป็นกรรมทายาตนี่จะกรรมทายะกรรมทายาตเป็นกรรมทายาตขเราเป็นทายาตของกรรมของเราจริงๆเลยมีได้ส่วนบุญเข้าไปแม้แต่คุณจะปรนนิพนธ์เงินไปกลัวอะไร ถ้าคนที่มีจปะปฏินิพพานจะมียานเข้าใจเองล่ะเขาไม่ท้อแท้ไม่ขี้เกียจหรอกอนอกจากคนที่ยังไม่มีนิพพานยังไม่ใกล้นิพพานขี้เกียจอโซอมันจะหนีงานหนักสมัครงานเบามันจะเฉื่อยมันอะไรนั่นแหละมันกลับสภาพกันซะมันกลับเป็นเป็แม่อาทารนั่นะแหละมันพาตกต่ําแต่ถ้าเบอกว่าจริงเจริญจริงแล้วมันไม่พาตกต่ำหรอกมันด้พาเจริญสอดคล้องไปเรื่อย ๆ, ๆอ่า เอาก็จะเพื่อให้มันตกร่วงไปตกหล่นไปไหนนะดูดูกันต่อไปแล้วก็ปฏิบัติอบรมฝึกฝนแต่ละคนแต่ละคนไปดูปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปแล้วหลายปีผ่านไปแล้วก็มันจะเกิดของจริงของมันเองเ อ, อีกสิปี20ปี30ปีมันจะมีความมั่นใจมันจะมีความจริงเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้ปลูกฝังความจริงเป็นเชื้อลงไปแล้วขนาดนี้เราได้ปลูกฝังนะักธรมามั่นใจว่าได้ปลูกฝังสารสัจจะ หรือความจริงอันเป็นเชื่อที่เป็นสัจธรรมจริงๆธรรมะอันดีจริงๆที่อาตมาว่าอาตมาได้มาเรียนรู้มาอะไรมาตามพระพุทธเจ้านี่แหละใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะเราก็ฟังเขามาบ้างอันไหนมันผิดมันเพี้ยนตามที่เขาพูดเราก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีให้มันถูกแต่สิ่งนี้นไม่ผิดไม่เพี้ยนเราเห็นแน่ใจของเราอยู่ว่าไม่ผิดไม่เพี้ยนหรอกดีจริงๆเราก็ทําต่อไป และที่เราทําต่อไปนี่ะเขาจะว่าเราดันทุรังหรือดื้อด้านไอ้ดันทุรังหรือดื้อด้านเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความผลานเป็น ไ, ไปเพื่อความทําลายเป็น ไ, ไปเพื่อความเสื่อมเสียในตนเองและสังคมหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นนะเพราะมันไม่ได้เป็นไม่ได้ทําลายสังคมไม่ได้ทําลายตัวเองไมไ่อะไรแล้วเออไม่ต้องไปห่วงหรอกทําไปเถอะอาตมาเองอาตมาว่าอาตมาพาทําถูกต้องอยู่นะก็าพากันไปต่อนะเอาวันนี้ก็พอเท่านี้ก็แล้วกาันถึงเวลากินข้าวแล้ว องไดพระสัพผุดเท้าวิสุทธิผุดมองใสตัดมูลกิเลสกลายหลีกละในสิ่งรือนรมทำไดทันตรัสแลเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโคล So, d t h a m duoi